สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงเอ า, อาเทรีคาถามามามาบรรยายให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้เรานำประวัติของพระวสิทธิเทรีคาถามานะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งอีกองหนึ่งอะไรนะครับจันทานะจันไม่ใช่จันทรานะจันทา จันทาเทรีคาถานะครับวันนี้ผมจะนำํำพระสีสุปจาราเทรีคาถาพระสีสุปจาราเทรีคาถาพระภิกษุณีองค์นี้เป็นพระอรหันต์องน์นี้เนี่ยนะครับก็เป็นน้องสาวของพระสารีบุตรนะเป็นน้องเป็นน้องคนที่สาม นะครับคนที่หนึ่งชื่อพระจาราเทรีนะครับก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแล้วก็อีกองคหนึ่งคืออะไรนะครับอะไรอุปจาราอุปจาราเทรีนะครับนี่ก็เป็นน้องภาษารีบุตรเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะแล้วก็องค์น้องสุดคือ สีสูปจาราเถรีคาถาเนี่ยนะครับสีสูปจาราเถรีเนียเป็นน้องจุดทองของภาษารีบุตรภาษารีบุตรนี่มีพี่น้องเยอะแล้วเป็นพ่อราหารเกือบหมดไหมครับหมดเลยใช่ไหมที่ถ้าสุขลขาสุขลขาตาเนี่ยสุขลขาตานี่เป็นเป็นน้องเหมือนกันใช่ไหมครับเอ๊ะหรือเป็นหลานครับ ทีฆนักขะนี่เป็นหลานครับทีฆนักข่เป็นหลานนะแสดงว่าอืเกิดมาในเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนี่แสดงว่าต้องทําทําบุญบารมีมามามาม า, มาพร้อมๆกันมาเหมือนๆกันนะครับ เ, เรื่องพระศรีสุ ป, ปจารานั้น น, นะครับเถรีนั้นนะครับ เมื่อได้เห็นพี่ชายออกบวชนะครับคือเปลี่ยนจากลัทธิเดิมซึ่งเป็นลัทธิอะไรนะครับที่เป็นนักบวชเป็นพวกนิครณ น, นะป้าก็ไม่ใช่ใช่ใชไหมพระสารีบุตรนั้นอยู่กับอาจารย์สันชัยนะอาจารย์สัญชัยใช่ไหมใช่ป้าแล้วก็ได้ออกบวชนะครับก็คิดว่าพี่ชายเราเนี่ยออกบวชเนี่ย การบวชนั้นเนี่ยคงจะคงจะต้องมีผลมากจะต้องมีอานิสงส์มากจะต้องต้องมีอมีผลดีอยู่อยู่ในการบวชนั้นก็จึงก็จึงอออกบวชทั้งสามเลยนะฮะออกบวชทั้งสามองค์เลยน ะ, ะ เ, เมื่อ ทราบว่าพระธรรมเสนาบดีบวชแล้วก็เกิดความอุสาหะขึ้นเองจึงบวชเมื่อทำบุพภกิจบุพภกิจเสร็จเข้าไปตั้งวิปัสสนาภาคเพียนพยายามอยู่ไม่นานก็บรรลุพระอรหัสต์ครั้นบรรลุแล้วอยู่ด้วยสุขในผลสมาบัติอยู่ด้วยสุข ในผลสมาบัติพระอาหารส่วนมากก็ถ้าว่างคงจะแวะเข้าไปในเที่ยวชมพระนิพพานใช่ไหมครับนะครับผลสมาบัติแม้แต่เวลาแค่เทศนาแล้วก็พวกญาติโยมสาธุผู้แสดงก็ถ้าเป็นพระอาหารก็เข้าสมาบัติได้ใช่หมครับอั น, นเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านัน ที่ที่มีความชำนาญในการเข้าพระสมบัติอย่างรว ด, ดเร็วขนาดนั้นรว ด, ดเร็วแต่ถ้าหากว่ารพระอรหันต์ทั่วไปก็จะนิยมเลีกเลนเน่ยนะพระอรหันต์จะยินดีในวิเวกทางกายวิเวกจิ ต, ตวิเวกและก็อุปธิวิเวกส่วนพระอริยะสาวกทั่วไปนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นท่านก็จะเข้าพระสมบัติตามสมควรคือ การเข้าพระสมบัติของพระอริยบุคคลนั้นก็เหมือนกับพระราชานะี่สวยความสุขในในราชสมบัติชั้นใดพระอริยบุคคลนั้นท่านก็จะเข้าพระสมบัติตามสมควรแก่แก่บุญของท่านอ่ะตามมรรคผลของท่านและก็ตามฌานจิตที่ท่านได้ด้วยคือการเข้าพระสมบัติอย่างโสดาปฏิผลใช่ไหมโสดาปฏิผลมีกี่ดวงห้าดวงเนาะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุทะฌานและ จมาฌานผู้ที่บรรลุโสดาบันแบบปฐมฌานก็จะเข้าแบบปฐมฌานผู้ที่ได้แบบทุติยฌานก็จะเข้าแบบทุติยฌานตามสมควรแก่แก่ฌานที่ที่ท่านได้ <c oughs> <c oughs> ก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดครั้นบรรลุแล้วอยู่ด้วยสุขในผลสมาบัติวันหนึ่งพิจารณาการปฏิบัติของตนเกิดโสมนัส จึงกล่าวคาถาเป็นอุทานว่านะครับข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายได้บรรลุสันตบทอันใครใให้เสียหายมิได้มีโอชารสนะก็เป็นคาถาที่พระสีสุ ป, ปจารานะอุทานก็เป็นข้อความที่สั้นๆนะครับ ข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีผู้สมบูรณ์ด้วยศีล น, นะครับคงจะไม่มีปัญหานะครับข้อความนี้สํารวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายแสดงว่า <c oughs> ก่อนที่จะบรรลุนี่นะครับก็ต้องมีอินทรียะสังวรนี่ถูกไหมครับจะผ่านานะก็มีอินทรียะสังวรซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับ เพราะว่าในอัตถกถาท่านได้อธิบายไว้ว่าในเรื่องอินทรีย์สังวร น, นั้นเนี่ยนะครับอ่ามีการสํารวมอินทรีย์ทั้งหกคือเตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครับใช่ค่ะคำว่าสํารวมนี่หมายความว่าสํารวมนี่ก็คือสังวรเจ่ไหมระแปลว่ากั้นได้ไหมครับใช่ค่ะแปลว่าปิดหรือแปลว่ากั้ น, แ ป, นแปลว่ากั้นนะครับ เพื่อที่จะละโลภในอิทธารมนะครับเป็นการกั้นใช่ไหมครั บ, รบถ้าหากว่าไม่สำรวมแล้วนะครับไม่ละแล้วเนี่ยถ้าได้ประสบกับอิทธารมก็จะเกิดโลภนะเพื่อละโลภในอิทธารมนี่เป็นการสังวรใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการละโทสะในอนิธารมนะปฏิคานิมิตนะ ถ้าปกติถ้าไม่สํารวมแล้วก็จะเกิดเรียกว่าอภิชาและโทมนัสก็จะมีอภิชาและโทมนัส<จ> น, นะครั บ, รบแล้วก็ละโมหะในอุเบกขาลมอมถูกไมครับใช่ <นะ S 1> ครับเนี่ยเป็นการละเพราะฉะนั้นคําว่าละในที่นี้เนี่ยนะครับคําว่าละท่านี้ก็คือปัญหานะานั่นเองอคําว่าละตรงนี้ก็คือเป็นชื่อของอินทรีย์สังวรศีนนะน ะ, <ช> ะ, ะถ้าหากว่า ผู้ที่แพ่งเรื่องอินทรสังวรศีลบ่อยจะพยายามสังเกตดูว่าเอ๊ะเห็นแล้วทำไมจึงเป็นโลภะเห็นทำไมจึงเป็นโทสะและเห็นแล้วทำไมจึงเป็นโมหะนะดะงนั้นคนที่ศึกษาเรื่องศีลในชั้นนี้ต้องแยกแยะความรู้สึกได้ในขณะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์แล้วก็เอาหลักอันนี้มาเป็นตัววินิจฉัยบ่อยถ้าหากว่าวินิจฉัยอันนี้ไม่ได้ แม้แต่ศีลสังวรยังเจริญไม่ได้อา จ, จตุปริสูตรที่ศีลก็ไม่สามารถที่จะบําเพ็ญให้บริบูรณ์ได้พระปุณณมันตานีบุตรสนทนากับท่านพระสารีบุตรเรื่องรถ7พผลัดนะรถผลัดที่1ผลัดที่สองผลัดที่สผลัดที่4จนถึงผลัดที่7ผลัดที่7นั้นก็คืออริยมรรคนะเมื่อได้รถผลัดที่7คือได้อริยมรรคแล้วจึงจะสาเร็จ แต่ถ้าหากว่ารถผลัดที่หนึ่งไม่บริบูรณ์รถผลัดต่อๆไปก็ไม่ได้รถผลัดที่หนึ่งก็คือเจตุปาริสุที่ศีลถ้าหากว่าจตุปาริสุที่ศีลไม่บริบูรณ์ก็เป็นไปไม่ได้ที่จิตตะวิสุทีเป็นต้นจะจะเกิดขึ้นได้ทีนี้ในจตุปาริสุที่ศีลนั้นน่ะผู้ที่เจริญศีลข้อนี้ต้องฝึกในอารมณ์ในสิ่งสิ่งเดียวกันน่ะต้องแยกแยะความนึกคิดได้ เมื่อเห็นอารมณ์นี้จิตเป็นจิตชนิดใดเห็นอารมณ์นี้เป็นจิตชนิดใดอย่างยกตัวอย่างเช่นได้ประกาศมาเห็นประกานี้ถามว่างามไหมถ้าถามแบบธรรมดาเลยงามไหมถ้าบอกว่างามปั๊บเนี่ยนะส่วนใหญ่ชวนะเป็นโลภถ้าบอกไปเอาที่ไหนมาเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เลยเป็นโทสะแน่นอน เห็นแล้วบางคนทั่วไปไม่ใช่ของเราอ่ะใช่อันนี้ส่วนใหญ่เป็นโมหะถ้าบอกว่าโอ้โหมันงามปับ๊บสีอันนี้เรียกว่าสุภานิมิตหรืออิทธารมนะใ น, นความเป็นสุภานิมิตหรืออิตธารมชวนะเป็นโลภะเพราะอะไรเพราะจิตใจเป็นปลกระทานมีไหมขณะที่เห็นเนะี่ยคิดเรื่องคานเลยสักข้อหนึ่งไม่มีปรารพจตุปริสุทธิ์ศีลสักข้อหนึ่งมีไหมไม่มี ปราลบปัจจะยะสานิาสีตศินถ้าไม่ปรารบอะปรารบก็คงจะเป็นอกุศล <c oughs> นะปรารพสมถะและวิปัสนาสักข้อไหมได้คนระับคือปรารบได้แต่ปรารบไหม <c oughs> ในใ น, ในสิ่งเดียวกันนะ่ะถ้าเรามีการฝึกในการมองอารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยโดยความรู้สึกความนึกคิดของเราด้วยและตัวอารมณ์ด้วยแล้วเอานิมิตต่างๆมาจับในอารมณ์ด้วย ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้นะทำ ม, มานุปัสสนาประเภทอยายตนะบัพพาเราจะสอบตกทันทีเลยพระ อ, องค์ทรงแสดงว่าพึงรู้จักสุขพึงรู้รูปพึงรู้สังโยชน์ที่อาศัยตาและและรูปเออเห็นแล้วจะเป็นสกายยะทิฐิสังโยชน์ได้อย่างไรเห็นแล้วจะเป็นวิจิกริชาสังโยชน์ได้อย่างไรเห็นแล้วจะเป็นศีลพัตรปรามาสังโยชน์ได้อย่างไรถ้าทั่วไปก็คือเห็นแล้วเป็นโลภะไหม เห็นแล้วเป็นโทสะไหมเห็นแล้วเป็นโมหะไหมถ้าแยกแยะกุศลจิตไม่ได้เจริญกุศลจิตได้ไหมดงั้นคนที่ที่ฝึกในการเจริญกุศลต้องแยกได้ว่าอะไรเป็นกุศลและอกุศลตามองเห็นต้องแยกได้เลยนะกุศลเนี่ยจะเป็นอย่างไรหูได้ยินเสียงกุศลจะเป็นอย่างไรแล้วฝึกในทวารทั้ง6ได้ดีกุศลจิตเนี่ยเกิดได้อย่างต่อเนื่องคนที่สามารถฝึกฝนได้ลักษณะนั้นเรียกว่าเจริญจตุปริสุทธิศิน ถ้าฝึกจจตุปริสุทธิศีลนี้บริบูรณ์สมถะเจริญไม่ยากเพราะพื้นฐานของศีลมาเป็นอย่างดีะนะเจริญพรหมวิหารหรือเจริญพุทธคุณเป็นต้นก็ง่ายเพราะกุศลจิตเกิดขึ้นจะทำให้เบาอ่อนควรแก่การงานเป็นต้นเมื่อสุขภาพจิตดีขนาดนี้ปรารลบวิปัสสนาก็ไม่ยากนะอาจจะปารลบคำสอนสักหมวดก็ไม่ยากละถ้าจิตมันเบาก่อนแต่ถ้าจิตหนักไปกับด้วยโลภโทสะโมหะมันก็เหมือนกับ จมอยู่ในในห่วงอเขาบอกว่าช้างที่ตกไปในในหลมอ่ะนะเขาบอกว่าถอนตัวยากแต่ถ้าหากว่าถอนได้ปั๊บเนี่ยสบายแล้วแต่ทั้นจิตที่เป็นไปกับอกุศลก็เหมือนกับการเนี่ยตกลงไปในในหลมอันนั้นคนที่จะเจริญอันนี้ต้องแยกแยะได้ตามองเห็นปั๊บในอารมณ์เดียวเนี่ยจะเป็นกุศลเป็นได้อย่างไรวิธีการฝึกในลักษณะเนี้ยถามหากุศลก่อน เพราะว่าไม่ต้องถามหาเราอากุศลเพราะมันเป็นปกติเป็นอัธยาศัยมองด้วยอากุศลถ้าส่วนใหญ่มองด้วยอากุศลนั่นแหละเขาเรียกว่ามองด้วยอคตินะมองด้วยโลภะมองด้วยโทสะมองด้วยโมหะถ้าหากว่าอารมณ์นั้นมันไม่ดีมากๆก็มองด้วยพยะคือความกลัวนะเป็นพยาคตินี้เราก็ต้องมาฝึกว่าถ้าเห็นแล้วจะเป็นกุศลเป็นได้อย่างไรวันนี้นั่งรถมานึกถึง เมื่อก่อนเนี่ยใช้คำว่าสัมมาทิฐิบ่อยทีนี้ลองมาเปลี่ยนเป็นทิฏฐูชุ ก, กรรมทำความเห็นให้ตรงในขณะที่เราเรามองเห็นเนี่ยอย่างไรชื่อว่าเป็นการทำความเห็นให้ตรงตรงต่อความจริงของสิ่งนั้นๆเลยอัันจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่มีข้อมูลพระธรรมคำสอนมาเนี่ยไอ้ตรงอาจจะตรงใจเราก็ได้แต่ไม่ตรงกับความจริงนะ ความจริงนั้นถามว่าใครเป็นเป็นผู้ประกาศความจริงเหล่านั้นถ้าไม่เอาคําสอนมาเป็นเครื่องตรวจสอบตรวจวัดตลอดอนั้นถ้าหากว่าเรามองเห็นเนี่ยเอยจะเป็นคําสอนได้ยังไงเมื่อเห็นไปตามคําสอนลักษณะนั้นแหละเชื่อว่ามีที่ถูชุกกรรมถ้าหากว่าเราปล่อยจิตไม่เป็นไปกับคําสอนที่ ถ, กกรรมมถูชุกกรรมไม่ได้ถ้าที่ถีชุกกรรมไม่ได้เราจะไม่เห็นอา น, นิสงส์ของอินทรีย์สังวรเลยจะไม่เห็นอา น, นิสงส์ของการสํารวมตา ที่ว่าคําว่าสํารวมตาเพราะตานี้เป็นจกักขุนสีเป็นใหญ่ในการเห็นตานี้เป็นใหญ่ในการเห็นนะไม่ใช่เฉพาะจิตดวงเดียวคือจกักขุวิญญาณจากักขุทวารวิถีทั้งหมดนะวิถีจิตทั้งหมดเนี่ยถือว่ามีตาเป็นใหญ่ถ้าหากว่าจากักขุภาษาธารุปไม่มีจกักขุทวารวิถีเกิดไม่ได้นะวิถีจิตเหล่านั้นจะเกิดไม่ได้แต่เป็นบุญเป็นบาปเป็นที่ชาวนะเป็นที่ชาวนะ แต่ทีนี้ชาวนะเหล่านั้นก็แล้วแต่การสะสมมาก่อนหน้านั้นชาวนะก่อนหน้านั้นในมโนทวารวิถีก่อนหน้านั้นเป็นไปกับเรื่องอะไรชาวนะในปัญจทาาวารวิถีจะเป็นไปตามมโนทวารวิถีอันนั้นเพราะตามอุปนิสัยนะฉะนั้นต้องไม่ลืมว่าชาติของจิตนั้นเวลาเกิดขึ้นปั๊บนั้นน่ะกลุ่มปัจัยไม่ใช่กลุ่มเดียวใช่ไหมกลุ่มปะกะตูปนิสยาชาติเนี่ยสำคัญมาก ไอปกตปะตป่านนิสยชาติเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้คําว่าจริตแล้วแต่จริตนะหรือความโน้มเอียงของของความคิดว่าเห็นแล้วจะชอบคิดเรื่องอะไรมากอันั้นคนนั้นก็สะสมในเรื่องนั้นมามากทีนี้ไอาการสะสมของเรานั้นเนี่ยเป็นไปตามคําสอนไหมถ้าไม่เป็นคำไปตามคําสอนแล้วทํำยังไงอะ่ะจึงจะเห็นแล้วจึงจะตรึกคําสอนได้มากนะเราก็ต้องพยายามว่าเออสำหรับคนที่อ่านมากๆอยู่แล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่า เราเห็นอารมณ์สักอย่างหนึ่งสงเคราะห์คำสอนลงมาคือไม่ต้องไปว่าเราเองหรอกเพราะถ้าเราว่าเราเองนะมันได้ดีไปนานแล้วถ้ามันเป็นทางอะ่ะนั้นทำมังสราระนาังข้าฉามิเราต้องเน้นคำสอนกล่าวว่าอย่างไรก่อนอย่างเช่นสีเนี่ยนะคาสอนว่าไว้เมื่อกี้นี่ว่าเห็นแล้วงามเป็นเรียกว่าอิทธารมเมื่อเป็นอิทธารมเป็นโลภชวนะเป็นโลภะเมื่อเห็นแล้วโลภะเกิดนะ เชื่อว่ามีเอ็นซีสังวรศีลไหมโลภะเนี่ยเกิดขึ้นไม่เชื่อว่าศีลพระองค์บอกว่าถ้าเห็นแล้วจะเกิดโลภะนะหาอะไรมาอย่างมาแทะลูกตาออกยังจะประเสริฐกว่าเพราะถ้าชาวนาที่เกิดโลภะชาวนะนะถ้าจุติตรงนั้นนะปัญจทวารวิถีต่อ ด, ด้วยจุติจิตได้ไหมนะเห็นปั๊บเนี่ยแค่ตายตาค้างเลยถ้าจุติตรงนั้นเนี่ยอบายทุคติวินิบัตินรกแน่นอนด้วยอํานาจโลภะ ถ้าหากว่าเห็นแล้วเป็นโทสะปับ๊บ น, นะชาวณจิตเนี่ยนะห้าดวงสุดท้ายนั่ น, น่ะจะต่อด้วยจุติจิตก็ได้จะต่อด้วยตทา ร, รมณะเสร็จแล้วจุติจิตก็ได้นจุติจิตสามารถเกิดต่อได้เพราะพระองค์บอกว่าแท ะ, ะเอาอะไรมาคว้านออกถ้ายังจะประเสริฐกว่าถ้าเห็นแล้วจิตเป็นโลภพเพราะว่าพบต่อไปไม่ดีแน่นอนหูได้ยินเสียงก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่มันมาฝึกตรวจสอบแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยที่จริงแล้วเราสูญเสียทรัพย์มากมายมหาศาลนะถามว่าศีลเป็นทรัพย์ไหมเป็นไหมเป็นครับเป็นเป็นอริยทรัพย์แต่ว่าเราเสียหายมากคือถ้าทรัพย์ภายนอกเราไปนั่งที่ไหนสักเสียสักร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยหรือพันหนึ่ชักเดือนแล้วนะใช่ไหมแต่ทรัพย์คือศีลเป็นต้นทรัพย์คือจตุปริสูตที่ศีลเนี่ยเวลาเห็นแล้วอินทรียสังวรศีลไม่เกิดเราไม่ถือเป็นความสูญเสียใช่ไหม อ่านหน่อยนะเคยเคยเห็นคนเล่นการพนันนะอ่าในวงเด็กๆเขาเล่นการพนันกันบอกว่าเฮ้ยเลิกเถอะไม่ได้ไม่ได้ต่ออีกนิดหนึ่งเสียอีกหลายเงินแล้วไปยอมเสียแล้วก็ไปเคนเนี่ยถ้าหากว่ามันยินดีในการสูญเสียแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มองว่ากุศลธรรมเหล่านี้เป็นทรัพย์ทรัพย์อริยทรัพย์คืออะไรบ้างโยมหนึ่งทรัพย์คือศรัทธาขณะที่เห็นแล้วโลภเป็นต้นเกิดศรัทธาเกิดไหม ไม่เกิดนั่นนะเสียทรัพย์เลยนะตรงนั้นเสียแล้วถ้าเห็นแล้วฮิเรโอตาปะไม่เกิดไม่มีความรู้สึกในการอายชั่วกลัวบาปฮิเรโอตาปะไม่เกิดนั้นก็เสียทรัพย์แล้วเห็นแล้วเป็นสุตตะไหมเป็นสักข้อหนึ่งก็ยังดีเป็นได้ไหมถ้าไม่เป็นขนาดนั้นก็เสียทรัพย์แล้วจ่ายไปแล้วนะชาวนะเป็นอาคุศโนี่จ่ายไปแล้วอเห็นแล้วเกิดจาระฆะไหมเห็นแล้วเกิดปัญญาไหม ัถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่เกิดนี่คือการสูญเสียการสูญเสียเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองชีวิตแบบแบบสังสารวัตรนะจะน่ากลัวแต่ถ้ามองระยะสั้นๆนี่จะจะไม่น่ากลัวเออมันสนุกดีนะโลภะเกิดบ้างก็ไม่เป็นไรมันเป็นเหมือนกับเป็นอยู่เป็นยาไปอะไรไป่นะมองเป็นอย่างนั้นไปมองเป็นธรมธรมดาครับธรรมดาแต่ก็ปายาภยภูมิพระสมัยก่อนที่ท่านเจริญสมณธรรมก็บอกว่ามันเป็นบ้านเดิมของเรานะนะ มันก็ธรรมดาเหมือนกันครับครับก็เรื่องสังวร น, นี่นะครับก็ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีผู้สมบูรณ์ด้วยศีล น, นะครับจตุ ป, ปาริสุทธศีล น, นะครับตั้งแต่ปาติโมกสังวรศีลนี่ก็ของพระภิกษุณีนี่ก็เยอะแยะเลยใช่ไหมครับมากกว่าพระภิกษุด้วยคือวินัยเนี่ยนะเฉพาะที่มาสวดวันปาติโมกนี่มากกว่า แต่ว่าโดยการปฏิบัติแล้วไม่ได้มากกว่าภิกษุเจนพรโดยโดยการปฏิบัติจริงๆนะนอกจากนั้นก็ยังมีอินทรียสังวรศีลเจนพรแล้วก็มีปัจจยะปริฆะศีลปัจจยสันสนิสิตศีลปัจจยสันสนิส<อ>ิตศีลแล้วก็อาชีวะใช่ไหมครับเจนพรทีนี้มาขอขอพูดถึงในหัวข้อปัจจยสันสนิสิตศีลอีกนิดหนึ่งนะ ปัจญาสารนิสิตศีลศกับสาธกะ ส, สัมปชัญญะนั้นตระกูลเดียวกัน oh. นั่นแหละก็คือประเภทเดียวกันสมมุติว่าเรามานั่งเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปัจเจกเลยนั่งทําไม mm. นะถ้านั่งหรือมาใช้สถานที่ขาดการปัจเจกปั๊บเนี่ยนะถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยถ้าไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ปัจเจกทั้งวันเลยเช้ามานี่เป็นอินะบริโภคแลนะ้วไะวันนั้นถือว่าเป็นหนี้มาตลอดเลยอันท่านจึงแนะนําว่า เข้าไปอาศัยเสนาสนะที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโคนไม้เรื่อนว่างที่แจ้งลอมฟางต่างเตียงอะไรเป็นทั้งหมดต้องปัจเวขเราใช้สอยเสนาสนะนี้เพียงเพื่ออะไรนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อหลีกเล้นสําหรับการเจริญภาวนาอันต้องคําพูดพวกนี้ ต, ต้องต้องตรึกไว้ตลอดถ้าหากว่าตรึกอ่อนเกินไป เข้าที่อยู่อาศัยแล้วไม่เคยพิจารณาลักษณะนี้ถ้าปล่อยให้อารุณขึ้นเป็นอินะบริโภคบริโภคอย่างควรเป็นนี่จีออนก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้นะถ้าเราเจริญได้เท่าไหร่เราก็มีทรัพย์เท่านั้นทรัพย์คือศีลถ้าหากว่าเราฝึกเจริญไปอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วฝึกบ่อยๆเลยเข้านั่งพับปัจเจกเลยเหมือนกับพระบางองค์เนี่ยท่าน ท่านจะเข้าที่พักปับ๊บท่านก่อนจะถอดรองเท้าปับ๊บเนี่ยท่านจะปัจเจกก่อนแล้วค่อยเข้าไปเข้าไปในที่พักนั้นบางองค์คล่องมากจับจีวรปั๊บปัจเจกเลยจับยาจะฉันปั๊บปัจเจกก่อนแล้วค่อยฉนันอันนะทุกอย่างที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับการพิจารณาทั้งหมดอันนะคือสาธกะสัมปชัญญะถ้าสาทกะสัมปชัญญาดีสัปปายะสัมปชัญญะจะได้จะรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วกุศลเจริญไม่เจริญเพราะได้รับการพิจารณาอย่างบ่อย ถ้าหากว่าผู้ที่ได้ทั้งสองอย่างคือศ า, าสตกะสัมปชัญญะและสัพพายะสัมปชัญญปป ะ, ระญญกรรมฐานเจริญไม่ยากนะกรรมฐานเจริญไม่ยากเพราะได้ปัจจัยมาเยอะแล้วเกื้อกูลกันแล้วเสร็จแล้วจะเจริญพรหมวิหารเป็นต้นก็ง่ายนะเสร็จแล้วถ้ากุศลจิตสามารถเกิดได้อย่างต่อเนื่องระดับหนึ่งแล้วพอทำคําสอนเนี่ยจะจําได้เป็นสุดๆไปแล้วคนพวกนี้สมาธิจะดีมาก เมื่อสมาธิดีปั๊บเนี่ยมองเห็นเนี่ยใส่ใจโดยความเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะพอเขามองว่าขันปั๊บเนี่ยความชํานาญเนี่ยนะอย่างยังสมัยก่อนนี่เขาท่องได้หมดแลหละขันห้ามีอะไรบ้างทําไมจึงเรียกขันห้าท่านได้หมดเลยเพราะความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วปนี้ใกล้ไกลท่านได้เอสีเนี่ยจะเป็นอดีตได้ไหม สีเป็นอดีตเป็นอย่างไรเป็นอนาคตได้อย่างไรเป็นปัจจุบันอย่างไรเป็นภายในอย่างไรเป็นภายนอกอย่างไรหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรเลวอย่างไรปนีตอย่างไรเสร็จแล้วในสีเหล่านั้นมาจากสมุดฐานที่แตกต่างกันท่านก็จะวิจัยพวกนี้ได้อย่างต่อเนื่องถ้าพื้นฐานสัโคจระสัมประชัญญะท่านมากท่านจะตรึกเรื่องนี้ได้ยาวนะสามารถที่ปล่อยใจไปตามเรื่องนี้ได้มากแต่ถ้าหากว่า เพวกสปายะสามข้อต้นอ่อนอันนี้ก็อ่อนเหมือนกันขันหาวฟอดเลยคำว่ <c oughs> ขาขันทำเดียวใค่นั้นแหลหาวแล้วแล <c oughs> ้นถ้าหากว่าพวกนี้ไม่ได้เราประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้านะนะเราศึกษาในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการศึกษาไม่ใช่ฟังนะการว่าศึกษาเป็นชื่อบาลีว่า สิกขาเป็นชื่อของอธิศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาและอ ธ, ญญอธิปัญญาสิกขาเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละอารมณ์เป็นสิกขาสามได้อย่างไรนะต้องต้องไม่ลืมคาถาที่พระผู้มีร พ, พระภาคสอนทภะาหิยะว่าดูก่อนภาหิยะเธอพึงธรรมศึกษาว่าใช้บอกกันเลยนะเธอพึงธรรมศึกษาว่าเห็นเป็นเพียงศักด์แต่ว่าเห็นเห็นจะเป็นเพียงศักด์แต่ว่าเห็นแต่บอกศึกษาก่อนนะ เห็นอย่างไรเป็นอธิศีละสิกขาเห็นอย่างไรเป็นอธิจิตตสิกขาเห็นอย่างไรเป็นอธิปัญญาสิกขาแต่ไม่ใช่โอ้เห็นสักได้ว่าเห็นไม่สนใจสักอย่างแม้ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติในผู้ศาสนาก็น่าจะง่ายไปนะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็แจ๋วสิแต่มันไม่ใช่เพราะว่าการบรรลุอริยสัจต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยเห็นอย่างไงจึงจะเป็นมาก ก็ต้องฝึกลักษณะนี้บ่อยๆเพราะว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็คือสิกขาสามนะอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานั <c oughs> ้นจะต้องหมั่นฝึกถ้าหากว่าฝึกไม่ได้สิกขาสามไม่เกิดเมื่อสิกขาสามไม่เกิดเราก็ไม่เจริญในพระศาสนาดังนั้นการฟังเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องมือเฉยๆนะเป็นเครื่องมือต่อการปฏิบัติ ดังแม้แต่การฟังมากๆแต่ถ้าหากว่าไม่เจริญไม่ตรึกตามไม่คิดตามไม่เอามาปฏิบัติตามเป็นต้นพระพุทธเจ้าตำหนิถ้าหากว่าเป็นพระด้วยศึกษามามากเรียนมามากแสดงธรรมได้มากพูดได้เยอะเลยแต่ไม่ได้คิดตามนั้นหรอกพระพุทธเจ้าบอกพวกรับจ้างเลี้ยงวัวเห็นไหมก็บอกว่ารับจ้างเลี้ยงโคเขาวางเงินก็คือคนเลี้ยงโคก็จะได้ค่าจ้างรายวันใช่ไหมอ่าพิสูจนที่แสดงธรรมเพื่อลาบส ก, การะก็จะได้ค่าจ้างรายวันเหมือนกัน โยมก็จะเอาอาหารมาถวายบ้างได้น้ำปลาหนะดื่มบ้างในกุฏิที่อยู่ก็อันนี้เค่าจ้างรายวันแต่เจ้าของคนที่ฟังนี่เขาได้มรรคผลไปใช่ไหมเขาก็จ่ายให้วันละเล็กละน้อยไม่เห็นหน้าสงสาเนี่ยมานึกถึงตรงนี้เอะเร า, น, านึับจ้างเลงวัวหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกครับครับก็ แสดงว่าเรื่องศีลนี่มีความสําคัญมากเลยเจนะครับตั้งแต่ปาติโมกมานะครับถึงว่าปัจจัยกับอาชีวะนี่ก็เป็นเรื่องของที่เป็นพื้นฐานของการเจริญธรรมชั้นสูงๆต่อไปถ้าไม่มีเบื้องต้นไม่มีพื้นฐานนะไม่มีผลัดแรกนี่นะก็หมดหมดสิตใช่ไหมครับเจญพายคือในเรื่องของการเจริญศึกขาสามในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอย่างสมมุติถ้าหากว่าเห็นยังไงเป็นปานปฏิบัติ ใช่ไหมการเห็นเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ทําปานาติบาได้ไหมยักคิ้วเหลีิวตาเพื่อให้คนฆ่าได้ไหมการเห็นเนี่ยเป็นปัจจัยเพื่อให้ฆ่าก็ได้การเห็นเป็นปัจจัยให้ลักทรัพย์ได้ไหมการเห็นเป็นปัจจัยให้ผิดศีลข้อต่อๆไปอย่างได้ไหมการเห็นเป็นมุสาวาทได้ไหมท่านจะต้องมันฝึกแบบนี้เอ๊ะเห็นยังไงจึงจะเป็นศีลนสดงว่าการบรรลุพระผลนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับ เไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับรเพราะ<อ>ว่าต้องมาตรึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วจะตรึกได้ข้อาหมายก็เรามีข้อมูลพอสมควรทีเดียวนะครับมันก็จะเอาอะไรมาตรึกแล้วครับรเชิญท่านแลมันตรึกไม่ได้หรอกครับอเอางี้นะเรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นรถเจ็ดพลัดได้อย่างไรนั่นครับไปไหนเอ า, เอาจะไปไหนของอามาบอกโอ้โหจะมาปฏิบัติธรรมเชียงใหม่นั่งรถมาตั้งหลายต่อแล้วเอามาถึงเชียงใหม่แล้วมาทําอะไรต่อเอามาถึงอย่างงี้เอาสมมตนะิจะมาทํำยังไงต่อไปอีกหรือว่าแมมพลัดที่หนึ่งจะต้องไปให้ถึงป่า ไปถึงป่าก็ไปนั่งหลับตาเออไปนั่งทำอย่างไรเพราะอย่างนี้เออตรงนี้ก็นั่งถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจไปอยู่ตรงนั้นก็<จ>ก็ฉลาดเท่าเดิมนั่นแหละก็คนเก่าใช่ไหม<จ>เพรา ะ, ะนั้น <c oughs> สุตตนี้จึงเป็นเบื้องต้นภาษาวกนั้นขึ้นต้นด้วยการการฟังน ะ, <c oughs> ะนั้นการฟังนั้นคำว่าฟังนี้ก็บอกว่าโสตาวะทานสุตะมเยยานังปัญญาที่เกิดจากการทรงจำทำชื่อว่าสุตามยายาน สุตตมยาญาณเนี่ยทรงจำธรรมจําว่ายังไงจําว่าอภินญญาธรรมนี้เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง น, นะนะทรงจำธรรมไม่ว่าธรรมเหล่านี้ควรปรินญยธรรมเป็นธรรมที่ควรรอบรู้กัมมณรู้ธรรมเหล่านี้เป็นปหาตประธรรมเป็นธรรมที่ควรละธรรมเหล่านี้เป็นสัจชิ迦ตประธรรมเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งธรรมเหล่านี้เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควร เจริญพอกพูนธรรมเหล่านี้เป็นหานาพาคิยะเป็นไปในฝ่ายเสื่อมธัมมะเหล่านี้เป็นทิติภาคิยะนะทิตินันอย่างเงี้ยทิติก็แปลว่าตั้งอยู่อนะนันทะแปลว่าเพลินเอแสดงว่าเพลิดเพลินมาก <c oughs> ทิติก็คือตั้งอยู่ธัมมะเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งการตั้งอยู่และ ว, วิเศ ษ, ษาพาคิยะธ ร, รมมะเหล่านี้เป็นไปในการให้ดีขึ้น แล้วนิพเททพทภาคิยะธรรมะเหล่านี้เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งการชำระกิเลสสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสังขารทั้งหมดไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหมดเป็นทุกสัพเพธรรมานตาธรรมทั้งปวงเป็นอนตตาแล้วก็อีทางทุกขา ร, ริยาสัจจังนี้ทุกขาริยาสัจนี้ทุกขสมม ท, ทัยอริยสัจนี้ทุกขานิโรธอริยสัจนี้ทุกขานิโรธาามินีปฏิปทาอริยสัจ หันการฟังนี้ต้องฟังให้ได้สิบหกข้อเนี่ยฟังเพื่อให้เข้าใจสิบหกข้อนี้จึงชื่อว่าสุตมะยญาณสุตมะยญาณโซตาวาธานีสุตมะเยยา น, าา น, ายยานนะถ้าหากว่าเราไม่มีความรอบรู้ในธรรมะสิบหกข้อเลยเราอยู่ที่ไหนเราก็เห็นนะใช่ไหมอย่าง น, นี้ดีกว่าถ้าตาเนี่ยไปที่ไหนก็จะพ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจยไหมไม่พ้นถ้าหากว่าไม่พ้นแล้วเราฉลาดเท่าเดิมนะ ถ้าของธรรมาเนี่ยแย่แน่ฮะอยากร้องไห้เลยอะ่ะบวชมาตั้งหลายปีถ้าฉลาดเท่าเดิมสมัยก่อนเห็นแล้วคิดยังไงสมัยนี้เห็นแล้วก็ยังคิดเท่าเดิม <ừ. S 1> ก็แสดงว่าเราไม่ได้งอกเงย อ, อะไรในคําสอนเดิมเพราะั้นเราต้องดึงคําสอนมาว่าคําสอนกล่าวไว้อย่างไรถ้าคนที่ฟังมาแล้วฟังอย่างไรก็คือฟังว่าเออธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งอะไรคือควรรู้ยิ่งเนี่ยมองเห็นนี่อะไรควรรู้ยิ่งมองเห็นอะไรควรกําหนดรู้มองเห็นนี่อะไรควรละ มองเห็นอะไรควรทำให้แจ้งมองเห็นอะไรควรเจริญมองเห็นนี่มันเสื่อมได้ยังไงมองเห็นทำไมจึงตั้งอยู่มองเห็นทำไมจึงเจริญขึ้นมองเห็นยังไงจึงจะชำแรละกิเลสได้ใช่หมทำไมสังขารมันจึงไม่เที่ยงทำไมสังขารจึงเป็นทุกข์ทำไมสังขารจึงเป็นธรรมทั้งปวงจึงเป็นอนัตตาอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกขัสมูทัยอะไรเป็นทุกขนคณิโรธอะไรเป็นทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทา ดังนั้นถ้าหากว่าการฟังเหล่านี้ไม่มีพอการฟังไม่มีจบเลยปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับคำสอนพระพุทธเจ้านะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ได้ตรัสไว้ทุกหนทุกแห่งพระองค์ตรัสไว้หมดเลยเหมือนกับตัวหนังสือนะ ท, ที่เป็นเล่มเล่มก็คือมีอักษรตัวหนังสืออยู่หมดเลยคนที่จะอ่านออกก็คือคนที่ทได้ร่ำเรียนมาเป็นต้นก่อนคาสอนมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ถ้าเราศึกษาจนรอบรู้ระดับหนึ่งจะไม่มีที่ไหนที่ไม่มีคําสอนกล่าวถึงนะขนาดเกี่ยวข้องกับเพื่อนเออพระองค์บอกว่าปฏิบัติกับเพื่อนอย่างนี้นะเกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัยปฏิบัติกับที่อยู่อาศัยอย่างนี้เกี่ยวข้องกับผ้า <c oughs> เครื่องนุ่งห่มใช้สอยคิดอย่างนี้นะกับเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเกี่ยวข้องกับดินเออคิดอย่างนี้กับดินนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยท่านจาริกไปลายแห่ง อันก็บอกว่าโอโดินตรงโน้นเนี่ยดีนะปลูกอันนั้นเนี่ ง, งามดินทางนี้ไม่ค่อยงามเลยดินทางโน้นก็ดีนะพระองค์มาตรากดูก่อนพิสูุทั้งหลายนั่นมันดินภายนอกธรรมดาพิสษุควรปรารบดินภายในใช่ไหยถ้าดินภายในมีเท่าไหร่การดินภายในนะนะยี่สิบใช่ไหมเกสาโลมานขาทาันตาพวกนี้เป็นธาตุดินภายใน <c oughs> หรือพิสูุบางกลุ่มเนี่ยพระองค์กําลังเดินไปโอ้โหถนนไปโน้นดีทางไปนั่นก็นงามทางไปโน้นก็นดี วิสูทังหลายนั่นปลารกทางภายนอกธรรมดาภิกษุควรปรารกทางภายในคืออารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปใช่ไหมในสิ่งเหล่านี้มีคําสอนกล่าวถึงหมดเลยให้เราถ้าเรามีการศึกษาแบบเรียนในลักษณะเพื่อเอามาใช้นะอ่านปุ๊บจะค่อยๆดึงมาใช้ทุกเหตุทุกแห่งมีคําสอนกล่าวหมดอย่างนี้เช่นเตียงต่างเตียงต่างก็คือเสนาสนะเสนาสนะเกี่ยวข้องกับปัจจะยสันนิสิตศีลเป็นต้น ถ้าได้ปัจจะยัสานิสิตาสินปั๊บเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาแบบธาตุปฏิกูลมณสิการใช่ไห้ยะธ า, าปัจจยังปวัตามานางทาตุมัตมเมเวตังยะทิทางเสนาสนังตุตุปภูนชโกจะปุคโลเนี่ยก็คือเสนาสนะทั้งหมดที่เราใช้สอยเนี่ยเป็นปัจจัยศักแต่ว่าธาตุกำลังเป็นปายอยู่เหนียงนิดใช่ถึงผู้ใช้สอยก็เป็นแต่ศักแต่ว่าธาตุ ธาตุไหนอ่ะถ้าไม่มีข้อมูลเรื่องธาตุสามธาตุหกธาตุสิบแปดมาอะไมาคิดอ่ะสักแต่ว่าธาตุธาตุไหนมันก็ต้องเอาเรื่องธาตุสิบแปดเป็นต้นมาตรึกควบคู่กันไปนะเขเรียกว่าธาตุมนสิการหรือปฏิกูลมนสิการมันเป็นปฏิกูลได้อย่างไรนะอั้นการศึกษาการเรียนรู้การฟังนั้นจึงเป็นทางเบื้องต้นบอกว่าถ้าหาว่าฟังแล้วยังเอามาใช้ไม่ได้นี่ก็แสดงว่าเต็มทีเหมือนกัน มันทํำยังไงเราจะศึกษาแบบเพื่อเอามาปฏิบัติข้อความในมหาสุญญาตาสูตรพระองค์กล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอย่าติดตามพระองค์เพื่อที่จะศึกษานิสุตตะเคยยะเวยาการณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทะละอย่าศึกษาอย่าติดตามพระองค์เพียงเพื่อศึกษาพระไตรปิดกวนั้นเถิดแต่ติดตามพระองค์เพื่อฟังคาถาวัตถุสิทธินะเพื่อฟังเอานี้ศีละคถา อย่างเงี้ยนี้เป็นมักน้อยกถานี้เป็นสันโดษกถานี้เป็นวิเวกกรานี้เป็นการไม่คลุกคลีกถานี้การปราลบความเพียรกถานี้ศีล น, นี้สมาธินี้ปัญญานี้วิมุตินี้วิมุตติญาณทัศนะอ่นะการศึกษาเพื่อว่าตรงนี้พระองค์พูดถึงศีลจะได้รักษาศีลถูกตรงนี้พระองค์กล่าวสมาธิจะได้เจริญสมาธิถูกตรงนี้พระองค์แสดงถึงปัญญาจะได้ปราลบปัญญาถูกต้อง นั่นแหละให้ติดตามพระองค์แบบนั้นแต่ไม่ใช่โอ้โหพระพุทธเจ้าพูดอะไรบ้างเราจะจําให้หมดเลยนะไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้หมดมีอยู่พระกลุ่มหนึ่งท่านติดตามพระพุทธเจ้าไปอฟังดูแลติดตามนานอพระพุทธเจ้าเทศนะก็มีลิงสามวิพัฒน์เจ็ดลิงสาวิพัฒน์เจดวัจนะสองเอกวัจนะพระหูวัจนะลิงสามปูลลิงอิฐทีลิงนับปุงสกลิงวิพัตน์เปฐมาวิพัตน์เป็นต้น ก็ไม่มีอะไรเลยไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าเลยทีนี้พอไม่ฟังพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงมูลปริยายสูตรให้ฟังพอแสดงจบปั๊บภิกษุกลุ่มนี้ไม่เข้าใจสักรูปเลยนี่เสร็จแล้วก็หมดมานะแล้วก็ค่อยๆศึกษาพระธรรมคาสอนใหม่บอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์นะไม่ใช่ไม่อัศจรรย์นะตอนหลังก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานงั้นถ้าหากว่าเราศึกษาไม่ไม่น้อมเอามาใช้นั่น่ะ เป็นการศึกษาที่น่าเห็นใจมากเป็นการฟังที่น่าสงสารที่สุดเลยขอเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยนะเอ๊ะทำยังไงเอฟังนี่เอ๊ะนี่เป็นศีล น, นะแต่ขอให้เราตั้งใจไว้ให้ชอบก่อนอตตะสัมมาปณิที่จะเอตัมมังคารมุตตัมังการตั้งจิตไว้ชอบนั้นเป็นอุดมมงคลนะเป็นเหตุให้ถึงความเจริญเราทําได้ขนาดไหนไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเจตนาเราต้องการอย่างไรเราตั้งใจไว้ว่าเราจะปฏิบัติตามคําสอนตั้งใจในลักษณะนี้นะ อาจจะทำได้วันละเล็กวันละน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าตั้งใจไว้ชอบไอการตั้งใจไว้ชอบนั้นมีคุณมากมายมหาศาลขอให้เราตั้งเจตนารมณ์ที่ถูกต้องเอาไว้ก่อนเราศึกษาเพื่อจะเอามาใช้เอามาปฏิบัติตามนะว่าคำสอนเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ตลอดกาลนั่นแหละแต่แล้วการศึกษาพระไตรวิฎกเราจะก้าวหน้ามากแต่ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นปั๊บนี้อ่านไปอ่านมาเอ๊ะก่เก่าๆนี่ซ้าๆหมดสนุกเลย จะไม่ไหวยังเบื่ออีกนะครับก็ทั <c oughs> ้งหมดนี้นี่ครับที่ท่านได้บรรยายมานี้ก็ <c oughs> ก็เห็นภาพครับเห็น <c oughs> ภาพว่าศีลนี่นะครับศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยคือไปด้วยกันตลอดใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ารักษาศีลสมบูรณ์แล้วจึงจะไปเจริญจิตตสิกขาหรือว่าหลังจากนั้นยึงจะไปปัญญาสิกขา จริงนี่ไปตลอดเลยดูนจากสัมปชัญญะสีเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่ได้อ่านมหาปรินิาพานสูตรเนี่ยจะจะชัดเลยใช่ไหมสีลที่สมาธิอ บ, บรมปัญญาอ บ, บรมเป็นต้นตลอดจนถึงว่าจิตที่อ บ, บรมด้วยปัญญาแล้วย่อมหลุดพ้นอ่ะตรงนั้นเนี่ยพระองค์จะแสดงถึงความสัมพันธ์กันของศีลสมาธิปัญญาะนะในมหาปรินิาพานสูตรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแสดงชัดมากนในความสัมพันธ์กันของศีลสมาธิและและปัญญาเจนพ่อ เพระฉะนั้นเพศของพระภิกษุนี่นะครับในสมณะเพศเนี่ยจึงจึงมีโอกาสที่จ ะ, ะปฏิบัติธรรมในลักษณะเนี้ยเนี่ยไม่เหมือนกับคารวะต์อย่างพระภิกษุ น, นะท่านก็มีข้อมีศีลเหมือนกับว่าปาฏิโมกขสังวรศีเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นสูตรสําเร็จเลยถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วนี่นะครับในจตุปาลิชุทตศีเนี่ยนะครับถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการศึกษาศีลสมาธิ ป, ปัญญาไปในตัวเลยใช่ไหมสอดคล้อง ก, กันเลย แต่ว่าพวกผมคาราวานเนี่ยนะฮะผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับนะบก็เพราะฉะนั้นบวช ด, ดีกว่าไม่บวชครับสรุปแล้วนะครับอ่าผมมาต่อ น, นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็จะเหนื่อยกันไปนะฮะพระศรีสุปจาราเทลีนะได้ <c oughs> กล่าวคาถาว่าข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ฟังพิงเท่านี้ก็คงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับสมบูรณ์ด้วยศีลสํารวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายนี่ก็ท่านก็บรรยายหมดแล้วได้บรรลุสันตบทนี่ก็หมายความว่าได้บรรลุพระนิพพานแล้วในอริยมรรคนะบรรลุสันตบทสันตะแปลว่าสงบนะสันตบทแปลว่าอะไรครับรู้แต่สันตะอย่างเดียวอสันตบทก็คือบทอันสงบบทอันสงบหมายถึงพระนิพพาน อันใครใให้เสียหายมิได้มีโอชารถนะท่านกล่าวอย่างนี้นะครับอันใครๆให้เสียหายมิได้มีโอชารถารา อ, ารอ่เ า, อาร <c oughs> อเรื่องนี้นะครับเมื่อท่านกล่าวอุทานนี้นะครับก็มีมาร น, นะฮะมีมาร น, นะมามากล่าวว่าเอ่อ มีความประสงค์จะให้พระเทลีเนี่ยเคลื่อนจากสมาบัติโดยส่งไปในกา ม, มาวาจรสวรรค์ว่าแม่นางจงเกิดความรักใคร่ยายดีในกา ม, มาวาจรสวรรค์เถิดจึงกล่าวว่าจึงกล่าวคาถาอย่างนี้นะครับมานะครับแม่นางจงตั้งกิจปรารถนาไว้ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานารดีและชั้นวสวรดี ที่แม่นางเคยอยู่มาแล้วแต่ก่อนเถิดมานมาชวนครับนะสำหรับมานี้ผมอ่านแล้วก็ยังสงสัยว่าจะเป็นเทวปุตตมารหรือว่าจะเป็นอภิสังขารมารหรือว่าจะเป็นกิเลสมารหรือว่าจะเป็นอะไรแน่ครับคือถ้าหากว่าพวกที่มาชักชวนพระอาหารหันต์ลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเทพปุตตมารเป็นเทวบุตตมา น, นะครับเจส ก็เป็นเทวดาในชั้นสูงด้วยใช่ไหมครับเป็นเทวดาชั้นปรินิมิตวัต ส, สวัสดี<ะ>แต่ก็เป็นองค์หนึ่งที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตครับก็ไม่อยากให้ใครพ้นจากวัตฏะคือเขา<ะ>เขารู้สึกอิจฉาพระพุทธเจ้าอะ่ะช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์ไปก่อนอะ่ะแต่จริงเขาก็อยากช่วยสัตว์เหมือนกันจริงๆเขาก็ปรารถนาเป็นเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันครับใช่ไหมครเขาก็อิจฉาเอ๊ะคนจะ จะส่งไปนิพพานกันหมดหรือไงนันเนียมาสนุกที่สวรรค์ดีกว่าใช่ไหมครับเจริญทานพระเถรีได้ฟังคำนั้นแสดงความที่ตนมีใจกลับออกไปจากกามและจากโลกว่ามานเอ๋ยหยุดเถิดโลกกามาวจรที่ท่านว่าโลกอื่นๆก็ถูกไฟคือราคะเป็นต้นไม่ลุกชนไปหมดจิตของบินยูชนย่อมไม่ยินดีในโลกนั้นเลย เมื่อขู่มานั้นจึงได้กล่าวคถานี้ว่าเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานรดีชั้นวสวัสดีพากันไปจากพบเข้าสู่พบทุกทุกกาละนำหน้าอยู่แต่ในสักกายยะล่วงสักกายยะไปไม่ได้ก็แล่นไปหาชาติและมรณะโลกทั้งปวงถูกไฟไหม้ลุกรุ่งโรโชดช่วงโลกทั้งปวงหวันไหวแล้ว นี่ก็เป็นเป็นคาถานะครับที่พระเถรีตอบมานะครับก็อยากจะเริ่มต้นดังว่ามานเอ๋ยหยุดเถิดโลกกามาวจรที่ท่านว่านั่นะโลกอื่นๆก็ถูกไฟคือราคะเป็นต้นลุกไหม้ชนไปหมดคือนอกจากจะโลกกามาวจรคือโลกที่เกี่ยวข้องกับกามได้แก่มนุษย์กับสวรรค์อีกหกชั้นนะครับ โลกอื่นๆก็เหมือนกันก็ได้แก่อะไรครับนอกจากกา마วาจรภูมิเ้ว ม, มีอะไรครับรูปาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมินะครับทั้งหมดนั่นแหละครับลุกชนไปหมดเลยครับ <c oughs> โลกอื่นๆก็ถูกไฟคือราคาเป็นต้นไม่ลุกชนไปหมดถ้าหากว่าผู้ที่เคยอ่านหรือเคยฟังอธิตตะปริยัตสูตรเนี่จะนึกออกนะ นะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับพระภิกษุพันรูปมีชดินสามพี่น้องเป็นเป็นประธานนะที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเป็นของร้อนจักคุ้งอาทิตตังรูปังอาทิตังจักขู่วิญญาณังอาทิตังนะจักขู่เป็นของร้อนถามว่าร้อนเพราะเพราะไฟไฟไหนเผาจาักสุนะไฟคือราคะไฟคือโทสะ ไ, ไฟคือโมหะ ผเผาอยู่ น, นะนี่คือแสดงว่าบาปอากุศลนั้นอาศัยจากโซเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยอีกมากมายแล้วในขณะเดียวกันเองนั้นจากโซนี้เป็นชาติมีชาติเนี่ยเผาอยู่จากโซนั้นมีชราเนี่ยแผดเผาอยู่นะถ้าชราปั๊บเนี่ยเท่ากับโรคเป็นต้นเนี่ยนะโรคจากโซโรคทางตาเนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดแล้วยังถูกไฟคือมรณะแผดเผาแล้วอาศัยจากโซนั่นแหละทําให้เกิด โสกะปริเทวะทำให้เกิดความทุกข์กกเจ็บจริงๆนะแล้วก็โทมนัสความเสียใจแล้วก็ทำให้เกิดความคับแค้นใจ ไ, ไปอยู่ในภพต่างๆนะในการมาพบรูปประพบส่วนใหญ่ก็ยังเป็นปเกี่ยวกับตาหูจมูกเลน้นกายใจนั่นเองอารูปประพบมีแต่ใจอย่างเดียวถ้าหากว่าพรหมนั้นมีตามีหูมีใจ สามทวารแต่ถ้าต่ำกว่านั้นมาเนี่ยตาหูจมูกเลน้นกายใจตาหูจมูกเลน้นกายใจหรือว่าริบเสียงกลิ่นรสโพธะพระธรรมรมนะเอาไฟสิบออย่างเนี่ยส่งเคราะห์ลงนะราคะเผาโทสะโมหะเนี่ยเผาอยู่แล้วก็ชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขทโทมนัสอุปาญาตแผดเผาอยู่ในอารมณ์นั้นๆทุกๆอารมณ์เลย นะถ้าหากว่าผู้ที่เห็นในลักษณะนี้มากๆบอกอริยาสาวกเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะเบื่อหน่ายในจักขโหเบื่อหน่ายในสีเบื่อหน่ายในจักขรวิญญาณเบื่อหน่ายในจกักขรสัมผัสเบื่อหน่ายในจกักขรสัมผัส <c oughs> สชาเวทนาทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และอทุกขมสุขคืออุเบกขานะทุกขวานก็เหมือนกันเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนัดไม่ยินดีในอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้เมื่อคลายกําหนัดก็หลุดพ้น พ้นจากไหนพ้นจากอุปาทานนะพ้นจากการถือมั่นโดยกามุปาทานพ้นจากการถือมั่นโดยทิฏฐปาทานพ้นจากการถือมั่นโดยศีลพรตุปาทานพ้นจากการถือมั่นโดยอัตตวาทุปาทานเมื่อพ้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี นั้นถ้าพระหารทั้งหลายเนี่ยผู้ใดผู้หนึ่งจะชวนไปในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นท่านจึงไม่ยินดีเพราะท่านมองเห็นว่าในอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดถูกไฟสิบอดกองเผาอยู่ทีนี้ไอ้ชาติชาราพยาธิมรณะซึ่งมีตันหาเป็นต้นนั้น่ะเป็นต้นเหตุเนี่ยพอไปสู่พบใดบ้างที่ไม่เป็นไปกับชาติชาราพยาธิมรณะมันก็เลยไม่น่ายินดีไม่น่ายินดีแม้แต่อารมณ์เดียวนะ ไม่มีอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้น่ายินดีนจนกว่าจะไม่เพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านี้นั่นแหละจึงจะพ้นจากกองทุกข์ได้ไม่ยินดีแม้แต่ความคิดอันนั้นด้วยนะเดี๋ยวไปยินดีความคิดอันนั้นอีกก็โ อ, อ, อ้ยเบื่อหมดเลยแล้วถามว่าเบื่อความเบื่อนั้นหรือ ย, ยังถ้าบอกว่ายังก็โ อ, อ้ยนี้อีกนานนะเบืเอ่อเบื่อแม้กระทั่งความรู้สึกที่เบื่อนั้นด้วยซ้ําไปนะ เ, นเบื่อในเบื่อครับก็อ พอข้อความเท่านี้นะครับถ้าหากว่าถ้าอาธิบายแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับถ้าเราอ่านเองก็อาจจะผ่านๆไปนะมารเอือยหยุดเถิดโลกกามาวาจรที่ท่านว่านะแม้โลกอื่นๆก็ถูกไฟคือราคะเป็นต้นนะอย่างอื่นมีอีกเยอะนะทั้ง11บเอกองนะราคะโทสะโมหะชาติชลาโสกปริเทวะทุกขะทนุนสะอุปาาสานนะแล้วมันไม่จริงไหม ขนาดนี้ท่านกำลังแก่ไหมนั่นแหละกำลังไหมอยู่แล้วไหมจนผมขาวเลยอะคิดดูนะบอกว่าถึงเราจะลืมแก่แก่ไม่ลืมเราเนาะแก่ไม่ลืมเราเนีมันมไหมจนผมขาวเลยอลืมเจ็บแต่ก็เจ็บก็ไม่ลื ม, ลมเราเหมนกนะแต่ตายเนี่ยน่าจะไม่ลืมเราจริงจริงเลยนะครับอ อ, อันที่จริงนะมันไฟมันไหมจริงๆนะครับเราคิดดูในะในชีวิตประจําวันเรานะครับถามว่ากุศลเกิดมากกว่าหรืออกุศลเกิดมากกว่า เห็นปั๊บเนี่ยเห็นธรรมดาอย่างเงี้ยกุศลเกิดมาอารมณ์เกิดมาเอาเอาเอาอารมณ์สามาจับใช่ไหมถ้าเป็นอิทธารมแปลว่าอิทธาแปลว่าหน้าปรารถนาครับถ้าอารมณ์นั้นน่าปรารถนาถูกโลภะเผาละเผาแล้วถ้าอารมณ์นั้นไม่น่าปรารถนาโออันนั้นอันนั้นโดยตรงเลยเผารเผาจริเห็นแล้วยิ่เห็นแล้วยิ่โมหะเผาอีกเสียโง่ทําไงแล้วทําไงคะนี่แล้วเมื่อไหร่จะเห็นแล้วเป็นปริญญาสักทีแหละ ก็อีกหน่อยครับนะครับมีราคะเป็นต้นไม่ลุกชนไปหมดนี่พระอริยะท่านเห็นอย่างนี้แต่เราไม่ค่อยเห็นนะครับพระริเจ้าท่านเห็นตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นจิตของบินยูชนย่อมไม่ยินดีในโลกนั้นเลยในโลกนั้นเลยแม้ว่าทุกโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นโลกหนึ่งโลกสองโลกสามโลกสี่โลกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 12, บสบปดไม่ยินดีสักโลกเลยไม่มียินดีสักโลกเลยนะเช่นพานอ่แล้วท่านได้กล่าวคาถาขูมานขูเลยนะขูมานว่าเท ว, วดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานราดีชั้นวสวดีพากันไปจากพบเข้าสู่พบทุกทุกกาละ พากันไปจากภพเข้าไปสู่ภพนะทุกุกกาละก็ภพภพมีกี่อย่างภพมีกี่อย่างคะก็มีสองอย่างนะกรรมมาพบกับอุปาติภพนะเอาแบบพบแบบนี้นะกามมาพบโลภปรพบโลภปรพบนั้นชินแล้วละชาไปนะเอาแบบพบใหม่กว่ากรรมมาพบกับอุปาติภพ กรรมมพบเป็นชื่อของกรรมเจตนายีิบเก้าทั้งหมดเหล่านี้เป็นกรรมมพบชาวณของปุตตชนทั้งหมดนั่นแหละเป็นกรรมมพบวิบากและกมมรรมชโรเป็นอุปัติภพจากภพสู่ภพจากเจตนาสู่วิบากจากวิบากสู่เจตนาก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ไอวิบากเนี่ยนะจาก วิบากที่เป็นกามาวจรสู่กามาวจรนะจากวิบากที่เป็นรูปาวจรสู่กามาวจรจากวิบากที่เป็นอรูปาวจรสู่กามาวจรแต่ก็เป็นไปกับกรรมภพกับอุปติภบอันชวนะเนี่ยทำกรรมภพตลอดเวลาวิบากกรรมชรูปเนี่ยนะเป็นอุปติภทีนี้เอกกรรมภพตัวเนี่ยเป็นก่อเป็นตัวกาอทุก ไออุปติภพนี่แหละเป็นตัวทุกข์นะอย่างชาติชราพยาธิมรณะพวกนี้ก็คืออุปติภพถามว่าอะไรแกวิบากและกรรมมาชโลภนั่นแหละแกนั่นแหละอะไรเจ็บวิบากกรรมมาชโลภนั่นแหละอะไรตายก็วิบากกรรมมาชโลภนั่นแหละแต่ไอกรรมมาภพนะเจตนาในชาวนะเนี่ยมันสร้างภพใหม่ตลอดใช่ไหมมันสร้างยังไงมันสร้างบอกว่าเออชาวนะดวงที่หนึ่งผลชาตินี้นะมันก็ให้ผนแป็นอุปติภพใช่ไหม ชาวนะดวงที่เจ็ให้ผลชาติหน้าอันนี้ก็สร้างอุปาติภพอีกชาวนะสองถึงหกให้ผลในชาติาที่สามเป็นต้นไปอันนี้ก็สร้างอุปาติภพอีกแล้วจากภพสู่ภพที่สุดอยู่ที่ไหนที่สุดอยู่ที่การไม่ยินดีในภพเหล่านี้อันนี้ถามว่าความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นตัวให้ก่อภพ ถ้าหากว่าไม่เพลิดเพลินจะไม่ก่อพบนั้นตันหานั่นแหละจึงเป็นสมุทัยศัพท์นํากองทุกมาทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณนะถ้าความเพลิดเพลินเกิดไอ้ทุกข์ในที่นี้หมายความว่าวัตทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะเพราะโลภะเกิดเมื่อไหร่พบใหม่มีทันทีเลยโลภะมีเมื่อไหร่พบใหม่เกิดทันทีถ้าหากว่าโลภะไม่เกิดนั่นแหละ แต่โลภะจะสัมรอกโดยไม่มีเหลือเพราะเพราะวิชาดับทำยังไงจะรู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละจึงจะดับความเพลิดเพลินในภพได้อริยสัจบางอย่างควรปริญญยายิากริยสัจบางอย่างเป็นกิจอะไรที่สองควรละกิจที่สามควรทำให้แจ้งสุดท้ายควร จเจริญวันนี้ได้กี่กิจแล้วค็4สี่กิตครับได้ทั้งสี่กิจเลยนะศึกษ <ฮะ S 2> าทูอนุโมทนาไว้ก่อนได้ยินเท่านั้นนะครับคือถ้าหากว่าศึกษาในลักษณะดึงมาใช้นะทุกคำในพระไตรปิฎกน่าสนใจหมดเลยน่าสนใจทุกคำเลยครับ ใ, <ช>ในนี้<ช>อ่าต่อไปนะครับท่านบอกว่าเทวดาชันดาวดึงชั้นยามาชั้นดูสิิเนี่ยเพ น, นะ พากันไปจากพบเข้าสู่พบทุกๆการตรงนี้น่าจะหมายถึงอุปาติภพเน้นเรื่องอุปาติภพใช่ไหมครับจากภพนี้แล้วก็ไปกําเนิดภพนู้นจากมาเป็นมนุษย์เป็นเนี่ยไม้ทั้งสองอย่างอาจารยอสมมตินะอเรามองมองเห็นเนี่ยนะถ้าหากว่ามองเห็นเนี่ยตากับสีถ้าเป็นสีภายในเราจะเป็นอุปาติภพ นะนะตากับสีสัมปติชนะสันติรณะเป็นอุปติภพชาวณะเป็นกรรมภพเจนาก็จากภพสู่ภพแล้วตัวกรรมตัวนั้นก็จะให้ผลเข้าใจเข้าใจนะครับหมายความว่าการที่จะเป็นสวรรค์ชั้นไหนว่าจะปราณีตยังไงเนี่ยก็อยู่ที่แค่เห็น ก็อยู hmm. view, ่แค mm ่เห็นท right. ่าจะเห็นดีก็หมายความว่าก็เรียกว่าเป็นเอาละเป็นนิมานรดีเป็นยามาใช่ไหมครับเจนทานถ้าเห็นไม่ดีก็หมายความว่าพบนั้นก็เป็นนรกนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วแต่ภาพที่เห็นด้วยแล้วแต่ภาพที่เห็นอ่าแล้วแก่คุณภาพของกรรมชื่อในขณะเดียวกันก็ทำกรรมต่อนเพื่อที่จะได้เห็นพบอย่างนั้นอีกก็บอกว่าตัวความยินดีถ้ายินดีในสีนะแสดงว่ายังอยากได้ตาอยู่ ถ้ายินดีในเสียงแสดงว่าอยากได้หูอีกถ้ายินดีในกลิ่นอยากได้จมูกอีกถ้าอาหารมันอร่อยนะยินดีในลิ้นอีกถ้ายังชอบอย่างเช่นโอ้อุ่นดีร้อนดีหนาวดีเย็นดีก็ชอบกายอีกถ้ายังชอบนึกคิดแสดงว่าเขาชอบพบใหม่เพราะฉะนั้นเจตนาชาวนะของเราเนี่ยสร้างพบสร้างชาติตลอดเลยละ่ะจึงกล่าวว่าพากันประปจากพบเข้าสู่พบทุกๆ ก, กกาลนำหน้าอยู่แต่ในสักกายะ ล่วงสักกายะไปไม่ได้ก <eman> ็คือยังเกี่ยวข้องเฉพาะอุปาทานขันห้าเท่านั้นเองนะก็คือสิ่งที่เป็นไปอยู่นะท่านบอกว่าสักกายะก็คือโลกิยะสิ่งเหล่านี้เป็นไปกับโลกิยะตลอดโลกิยธรรมเหล่านี้นะมันมีภัยอยู่มากมายมหาศาลภัยของโลกิยธรรมคืออะไรอกุศลทั้งหลายแหลก็เป็นภัยด้วยนะเป็นภัยที่ปกปิดโลภะก็เป็นภัยโทสะก็เป็นภัยโมหะก็เป็นภัย ทิฏฐิก็เป็นภัยทิฏฐิตัวนี้ที่เป็นภัยทิฏฐิตัวนี้สําคัญว่าอุปาทานขันห้าเป็นตนเป็นของตนเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยตนนะมันยึดทันทีเลยมันไปสําคัญผิดอั้นภัยพวกนี้มันจะก่ออีกหลายเรื่องมันเพราะว่าอากุศลเหล่านี้นะอุปมาเหมือนกับเป็นตัวเชื้อโรคอะพอมันเกิดขึ้นปั๊บมันระบาดไปหาสิ่งอื่นๆอีกมันก็ทําลายทุกโทษมากมายมหาศาล ก็ล่วงสักกายะไปไม่ได้ <จน S 2> ครั บ, รบก็ยังมีตัวเรานี่แหละครับใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรก็อยู่ต่อไปอ่ก็แล่นไปหาเมื่ออย่างนั้นแล้วก็แล่นไปหาชาติและมรณะเนะ น, นีนะ่ยห น, นีไม่พ้นนะครับนะโลกทั้งปวงถูกไฟไหม้ลุกกรุ่งโรอโชดช่วงโลกทั้งปวงวันไว้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นธรรมที่ไม่หวั่นไหวโอ้โหตีรณะปริญญาปะหานะปริญญาท่านแน่นมากโลกทั้งปวงหวั่นไหวนี้เป็นภูมิของตีรณะปริญญากับปะหานะปริญญาที่เป็นโลกิยะแล้วก็พูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นหมายถึงโลกุตรธรรมอันนั้นปะหานะปริญญาชั้นยอดอันจิตใจของท่านนั้นผู้ที่เป็นะ้าหันน้อมไปใน ธรรมะเป็นที่สิ้นทุกขอย่างเดียวเาจารย์แต่คําว่าช่างไม่ได้ชักสงสยัยอ๋อนิพานนี่ช่างไม่ได้ช่างไม่ได้ใช่ไหมเจนพานมันยังไงครับช่างเคยได้ยินนะอะไรนะอัปปมานาธรรมะก่อนหน้านั้นเขาว่าไงนะจันติงมันจะมีบทสุดท้ายว่าอัปปมานาธรรมมหคตะมหคตาธรรมะอัปปมานาธรรมะต้นนั้นเรียกอะไร ปริตตาธรรมมามหคกตาธรรมมาอัปปามานาธรรมมาเป็นกามาวจ ร, รนนั้ากามาวจรเขาเรียกว่าปริตตาธรรมมาเป็นธรรมเล็กน้อยมหคตาธรรมมาชาณจิตทั้งหมดนี้เป็นธรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลอัปปามานาธรรมมาโลกุตระธรรมทั้งหมดไม่มีประมาณเจนท์พา น, นะช่างไม่ได่มาก็ตรงนี้เองเจนะครับ ค, คือเราจะไปเอาน้ําหนักของเรามาแบ่ง คือถ้าหากว่าในกามาวาจรเนี่ยเป็นปลิตตธรรมเนี่ยเป็นนิดเดียวจ ร, งจริงๆคือถ้าเห็นเห็นนิดเดียวแล้วก็ถ้าเกิดพอใจหรือว่าชอบใจก็นิดเดียวจริงๆแล้วก็มันไม่ยั่งยืนของเล็กๆน้อยๆของความสุขเล็น้อยๆอ ย, อย่างรสอร่อยหรือดูอะไรเพื่อเพินความจริงเป็นปริจตธรรมหมดนิดเดียวใช่ไหมครับขณะจิตเดียวแท้ๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นจิตอย่างอื่นอีแล้วสมมติว่าในในโลกของการเห็นนะแบบเป็นกามาวจรเราดูทีวีนะ เห็นกัดได้ยินเหมือนพร้อมกันเลยมันสลับกันทั้งการเห็นการได้ยินบางคนนี่กินด้วยนะเออทั้งกินทั้งเห็นได้ยินกินเนี่ยสามถวาวรเนี่ยเป็นไปเลยเป็นของระยะสั้นๆมากแต่ถ้าเป็นรู ป, ปาวจรเนี่ยจะอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเป็ น, น, นชั่วโมงเป็นนานๆเป็นนานๆอยู่ในความสุขนานๆเจริทพานเป็นฌานจิตอ่าบางคนเนี่ยมั่นคงมากสา ม, มารถที่จะอยู่กับฌานอย่างเดียวอารมณ์เดียวเนี่ยเป็นวันได้อภนาธรรมมาเรียกว่ามหคตาธรรมา ah <ท>มันกว้างใหญ่ไพศาลเจนพะแต่ถ้าเป็นอัปปามานาธรรมมาก็พ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะนะเร <นะ S 2> ียกว่าขณะนั้นอัปปามานาธรรมานั้นโลกุตระธรรมคือมรรคจิตผลจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นโลกุตระธรรมเก้าพ้นจากกามาวจรนะเรียกว่าเก้าพ้นจากปริจตธรรมและเก้าพ้นจากมหคัตธรรมนะเรายั ง, ลงหลงไหลอยู่ในปริจตธรรมอย่างนี้เลยนะครับ ก็เชียงใหม่นี่หอกลางคืนเนี่ยประดับไฟต่งงางๆเลยนะปฏิตะธรรมจริงๆนะะต่อไปนะครับ <c oughs> ช่างไม่ได้เป็นธรรมอันปุถุชนเสพไม่ได้แน่นอนนะนะคือธรรมะเหล่านี้เนี่ยพระผู้วิภาคทรงโปรดข้าพระเจ้าคือพระเถรีเนี่ยได้กล่าวไว้ว่านะรพระองค์ตรัสไว้ว่าเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้นะครับ ว่าโลกถูกทั้งพวงถูกไฟไหม้ก็ดีรุ่งโรดชดช่วงโลกทั้งพวงหวั่นไหวแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นธรรมไม่หวั่นไหวช่างไม่ได้เป็นธรรมอันปุถุชนเสพไม่ได้ได้ได้สอนได้สอนข้าพเจ้าได้โปรดข้าพเจ้าใจของข้าพเจ้ายินดีนักในธรรมนั้นในคำสอนนั้นเจนาอันนี้เาเรียกว่าถึงโลกุตระสารนคบเ่นผาครบับ ข้าพเจ้าได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในพระศาสนาบวชใช่ไหมครับได้ปฏิบัติธรรมในพระศาสนาของพระองค์คื อ, ค, อคือไม่ถึงไม่บวชก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่ อ, อยู่ในศาสนาเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นไปกับคำสอนเหล่านี้ก็ชื่อว่าอยู่ในศาสนาเหมือนกันวิชาสามข้าพเจ้าก็ บ, บรรลุแล้วโอ้โ โอ้โห่เป็ธรรมดานะครับเจนพัดวิชาสามอันหนึ่งก็คือปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้นะว่าชาติโน้นพบโน้นมีชาติตะกุลอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นตายจากชาตินัน้นไปสู่ชาติพบโน้นก็บอกว่าเหมือนกับคนที่มีหลายๆบ้านน่ะนะเดินมาจากบ้านไหนไปบ้านไหนไปทําอะไรบ้านไหนก็ระลึกได้หมดอะ่ะเหมือนกับนึกได้อะ่ะดังนั้นคนที่ระลึกชาติได้ก็จะเป็นลักษณะนั้นอันนี้เป็นวิชาที่หนึ่งเรียกว่า ปุเพนิวาสานุสติญาณสองก็จุตูปปาตญาณรู้ความที่สัตว์เกิดสัตว์ตายก็คือสัตว์นี้เป็นไปตามตามตรมนะถ้าหากว่าผู้ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิเตียนพระอริยเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปนะก็เข้าสู่อบายทุคติวินิบาตนารกแต่ถ้าตรงกันข้ามก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็คือ มองเห็นหมูสัตว์นั้นเป็นไปตามกรรมถ้าพระพุทธเจ้ า, านะพระองค์นี้ความสา ม, มารถในการมองเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายนั้นเหมือนกับมีบ้านอยู่สองหลังหันหน้าเข้าหากันคนนี้มันนั่งอยู่ตรงกลางนะใครไปใครมาที่มองเห็นหมดพระพุทธเจ้ า, านี่จะเป็นลักษณะนั้นชัดเจนขนาดนั้นมากในเรื่องเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วสุดท้ายอาสวะขยายานอาสวะขย า, ยานนั้นก็คือพระองคอ์ท่านเหล่านั้นก็รู้อริยสัจ การรู้แจ้งอรยิยสัจนั่นแหละเรียกว่าอาสวะคยญาณยนะญาณที่เป็นสิ้นปลายแห่งอ า, อาสวะก็ระดับน้นแหละอรหัตมรักอรหัตผลนั่นแหละครับเราจะเห็นว่าวิชาสามนี่นะเป็นของคู่กันมาเลยทั้งสามนี่นะแล้วก็มีความสำคัญมากเลยพระพุทิภาคก็ทรงมีวิชาสามก่อนที่จะตัดสรุนี่ก็ต้องเริ่มด้วยบุเพณิภาสานุสติญาณใช่ไหมครับ ยานสองยานนะครับคือบุเพนิบุเพนิวาสานุสติยานกับจุตูปปาตยานเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมสกตาปัญญาอย่างอย่างลึกซึ้งอย่างสมบูรณ์เลยใช่ไหมครับกรรมจุตูปปาตยานจะที่จริงในจุตูปปาตยานนั้นมีกรรมมูปะฆาญอยู่ตรงนั้นด้วยนะยานที่เข้าถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนนะว่าอะไรกรรมอะไรทําให้ไปเป็นอย่างนั้นเช่นพ่ท่านในอัตขปถาท่านกล่าวไว้ว่า บุเพนิวาสานิสติยานกับจุตัปาติยานนี่เป็นยานที่มีอุปาการะกับอาสวะขยายา น, นิมากเพกล่าวไว้เลยเธอถ้าหากว่าได้ยานสองอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เห็นโทษของอุปาทานขันห้ามากนะว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยเป็นไปกับชาติชราพยาที่มรณะโสกะปริเทวะจริงๆเลยเพราะว่าในพบในสังสารวัตรนะ มันอยู่ในอบายซะส่วนใหญ่ด้วยแล้วกิเลสเล่นงานซะส่วนมากด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงจึงไม่น่ายินดีเลยเพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกับที่กล่าวไว้ว่าศีลบริสุทธิ์และทิฏฐิ ท, ท, ท, ที่ตรงคือกรรมสกทาปัญญานี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ จ, จะเห็นว่าข้อความเหล่านี้นะสอดคล้องกันหมดทั้งพระไตรปิฎกไม่ว่าจะอ่านที่ไหนนะครับจะสอดคล้องกันหมดเลยนะครับแม้แต่มันในเรื่องวิชาสามนี้ก็สอดคล้องกัน น, ะคนะครับมีใครถามไหมครับ ุท่านนี้มีอะไรถามไหมครับถึง ท, ท, ท่านบอกแบบนี้นะอะในขณะสั่งสมกรรมความโลภความโกรธและความหลงทั้งสามของผู้ใดมีกําลังความไม่โลภเป็นต้นอ่อนกําลังเาขาย่อมไม่โลภไม่ปัทุสลายและไม่หลงจะจะเป็นแบบนี้ได้นะะ บอกว่าความโลภความโกรธความหลงทั้งสามของผู้ใดมีกำลังมีกำลังค่ะแล้ตอนตอนท้ายท่านบอกว่าความไม่โลภเป็นต้นอ่อนกำลังเขาเขาย่อมไม่โลภไม่ประทุสลายและไม่หลงน่าจะเป็น ข้าพเจ้าได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในพระศาสนาวิชาสามข้าพเจ้าก็บรรลุแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วข้าพเจ้ากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วนะครับข้าพเจ้ากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วนะสิ่งทั้งปวงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหนะสิ่งทั้งปวงนี่แต่แกอะไรครับ สักกายะสัพเพใช่ไหมครับคือหมายความว่ากําจัดความเพลิดเพลินก็คือตัณหานั่นเองนะครับความหรือว่าอุปาทานนั่นเองอุปาทานในอะไรครับอุปาทานในขันนะฮะข้าพเจ้ากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วเพราะว่าขันห้านั้นนี่นะครับอุปาทา น, นขันห้านั้นเป็นธรรมะเป็นที่ทําให้อุปาทานเกิดเป็นอารมณ์ของอุปาทาน นะครับอาจจะเข้าไปในลักษณะที่เป็นการมุปาทานคือเข้าไปติดข้องในลักษณะชอบชอบหรือวาอ่าเข้าไปติดในข้องนะฮะหรือว่าอัตวาทุปาทานเข้าไปในติดว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นรา เ, เป็นเขานี่นะครับ เ, เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วทําลายกองแห่งความมืดได้แล้วอันนี้ก็แน่นอนนะครับหมายความว่าได้ทําลาย อ, าอาวิชาได้หมดแล้ว ดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้เถิดตัวท่านข้าพเจ้าก็กําจัดได้แล้วตอนสุดท้ายนะครับพระเทรีบอกว่าตัวท่านนั่นแหละตูมานนั่นแหละข้าพเจ้ากําจัดได้แล้วอันนี้เป็นมารอะไรแน่ครับรรครับก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าแม้แต่ว่าไอ้มารอื่นๆก็ก็กําจัดได้แล้วทั้งหมด นะครับอ่านี่ก็เป็นพระสูตรที่ผมว่าท่านพระพอไปอ่านได้นะแล้วก็อธิบายไว้เยอะนะที่ท่านอาจารย์อธิบายนี่ท่านก็อธิบายตามอัตถกถาที่กล่าวไว้ทางท้ายนี้ในชั้นของการศึกษาพระธรรมคําสอนนะั้นเราควรจะศึกษาทั้งสองอย่างนะอ่าทั้งโดยสุตตันตนายแบบคัมภีร์เรียกว่าศึกษาแบบนี้เรียกว่าศึกษาแบบเทศนาวิราชนะ คือเน้นที่คำประพันธ์สะส่วนหนึ่งด้วยและก็เหมาะกับอัธยาศัยของบางท่านด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราควรศึกษาแบบโครงสร้างด้วยเนะเราจะได้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมเนื้อหาได้น ะ, ะการศึกษาพวกโครงสร้างนั้นก็อภิธรรมเป็นต้นเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะการศึกษาภาพภิธรมนั้นก็คือศึกษาโครงสร้างนะและก็ศึกษาคมภีประเภทไวยากรณ์ คำพีวิยกรในที่นี้ก็คือคำภีที่อย่างเช่นปฏิสัมพิธามมักนั่นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นประเภทคำพีวิยกรเป็นไวยากรณ์พระธรรมนะถ้าหากว่าเราอ่อนไวยากรณ์พระธรรมปั๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นความสัมพันธ์ของคําสอนอย่างเช่นเอ๊กามทั้งหลายเนี่ยหวานไหวเล็กน้อยเราฟังคํานี้เราต้องรู้เลยว่าคําพูดเหล่านี้ต้องเป็นลักษณะของตีรณปริญญาไปแล้วนัว่นแหะหวานไหวเล็กน้อย หรือบอกไม่น่ายินดีเนี่ยคําพวกนี้จะต้องเป็นลักษณะของสิ่งที่ไม่น่ายินดีก็คือน่ารังเกียจ ม, มีโทษก็ประเภทอาทีนวายานเป็นต้นไปและอ่าแล้วต่อไปหลังจากนั้นอีกจะแสดงถึงมัคคานผลขยานอันถ้าหากว่าเราศึกษาระบบโครงสร้างและเราจะเข้าใจว่าถ้อยคําส่วนนี้เป็นปริญญาข้อไหนนะถ้อยคําระดับนี้เป็นศีลบทความตรงนี้เป็นสมาธิบทความตรงนี้เป็นปัญญาแล้วปัญญาเนี่ยมีกี่ระดับ และจึงจะเข้ามรรคผลนิพพานดันั้นการศึกษาในลักษณะ น, น, นั้นจะเห็นเป็นนิสรณะปริยัติศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์รู้ว่าเออบทนี้เป็นศีลบทนี้เป็นสมาธิบทนี้เป็นปัญญาระดับยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหาณนะปริญญาเป็นต้นเ อ, อ๊จะบำเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าหากว่าเราศึกษาโครงสร้างเข้าใจจะทําให้อ่านพระธรรมคําำคำสอนเหล่านี้จะเบามาก แต่ถ้าเราอ่อนปับ๊บเอ๊ะท่านเอาอะไรมาพูดของท่านนะเสร็จแล้วคนส่วนหนึ่งจะรังเกียจอัตกถาเพราะมองโครงสร้างคำสอนไม่ออกนะมองโครงสร้างคำสอนตามลำดับไม่ออกพอมองไม่ออกปับ๊บเอ๊ะก็ง่ายๆอัตกถาไปพูดซะยากเลยยางไงบางท่านกลายเป็นว่าติเตียนอัตกถาอย่างข้อความในปปัญจัตสูธนีนั้นกล่าวไว้เลยว่าอัตกถาคือปกิ น, นกะเทศนาของพระผู้มีพระภาค และคำวินิจฉัยของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นอันคำพูดถ้าติเตียนพระอริยะเป็นไงนะมีโทษอันวจีกรรมเนี่ยนะมีโทษนะอะคำพูดของเราถ้าหากว่าล่วงเกินผู้มีคุณนั้นก็เหมือนกับปลากินเบ็ดนั่นแหละนะตอนกินมันอาจจะอร่อยนะตอนพูดอาจจะมันน้าลายหน่อยแต่ว่าเวลามันให้ผลเนี่ยคิดดูนะว่าพระเทรรีรูปหนึ่งอดีตของถ้าอันเทริกถฐานี่จะเห็นประวัติของรูปหนึ่งชื่อว่า นางอัมพปาลีเทรีคถาก็บอกว่าทําไมจึงเป็นหญิงแพทย์สยาก็นางอัมพปาลีเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นหญิงแพทย์สยาตอนหลังมาบวชก็เป็นพระอรหันต์บอกว่าอดีตชาติเนี่ยช่วงที่เขาเดินเวียนพระเจดีย์นะอรหันต์เท ร, รีรูปหนึ่งถมน้ําลายอพระนางรูปนี้ก็บอกโอ้ยนะหญิงแพทย์สยาคนไหนนะมาถมน้ําลายไว้แถวนี้อันนะัโทษอันนั้นทําให้เกิดเป็นได้หญิง เป็นแพทย์สยาสมพรปากเลยก็อีกคนหนึ่งเนี่ยอดีตชาติประวัติของคุชุตราอุบาสิกาเนี่ยทําไมเป็นฆ่าทาสเขาอ่ามีอยู่เขาบอกว่าอดีตชาติเนี่ยนางเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีกําลังแต่งตัวอยู่แล้วคุ้นเคยกับพระอรหันต์รูปหนึ่งเป็นพระเทรีอรหันต์เสร็จแล้วพระแม่เจ้าช่วยหยิบของให้หน่อยอ่ทาท่านก็บอกเออถ้าไม่หยิบให้มันโกรธก็ตกนรก ถ้าหากว่าเราหยิบให้เกิดเป็นขี่ข่าไปยังดีไว้ก็เลยให้หยิบให้เลยก็ได้เป็นขี้ข่าเลยนะเพราะว่าไม่รู้อะไรควรไม่ควรอันคําพูดนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาจริงจริงเนี่ยอะไรมีโทษไม่มีโทษเราจะไม่รู้เลยอันปุถุชนผู้อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยกรรมใดเป็นมีโทษไม่มีโทษเราควรศึกษาให้เข้าใจเราจะได้บาปในน้อยหน่อยนะมีโทษก็โทษในน้อยหน่อยนะอย่าบริสุทธิ์นักเลยถ้าบริสุทธิ์นักโอ้ยมันให้ผลเจ็บแสบจริงๆ ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นที่ค่าขี้ฆ่าเขาหรือเกิดเป็นคาถาตเขานะเขาจะด่าเช้าด่าเย็นก็ต้องยอมใช่ไหมถ้ามันเป็นโทษของวัดต่าไปแล้วหรือว่ากรรมบางอย่างไปเกิดเป็นในในตระกูลบางตระกูลฐานะบางฐานะตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยนะมันทุกข์จนตายจริงๆเลยนั่นแหละแล้วก็มีคนที่เขามีความทุกข์นี่มากมายมหาศาลเพราะเขาไม่ศึกษาว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษอันขอให้ให้เราศึกษานะ ถ้าศึกษาเนี่ยแหละจะช่วยว่าชีวิตของสาวทั้งหลายนั้นจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะการศึกษา